Thank mm -hmm. you. สิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องมีนะใช้คาว่าต้องมีไม่ใช่แค่ควรมีก็คือการรู้จักคอยการรู้จักคอยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความเพียรความพยายามหรือว่าความอุตสาหะเนี่ยเป็นไปนได้อย่างต่อเนื่องนะ ้าว่าใจร้อนคอยไม่เป็นอยากเห็นผลไวๆก็จะทำให้เพียนได้ไม่นานทำไปแล้วไม่เห็นผลสักทีก็พอแท้ได้ง่ายบางคนมาปฏิบัติสามวันห้าวันยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเลย ก็ทอแท้เสีจแล้วอันนี้เพราะว่าคอยไม่เป็นคำว่าคอยเป็นนี่ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยเฉยแล้วก็รอให้ผลมันมาเองแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยแต่แม้ลงมือปฏิบัติแล้วถ้าทำด้วยความอยากจะเห็นผลไวๆอันนี้ก็จะมีความทุกข์มาก การที่เราจะฝึกจิตให้มีคุณภาพใหม่มันหมายถึงการที่เราต้องทวนกระแสอ น, นิสัยเดิมๆรวมทั้งการขัดเกลาเอานิสัยเก่าออกไปที่มันไม่ดีเกิดความคิดฟุ้งซ่านนะความชอบจมอยู่กับอดีตหรือไปกังวลกับอนาคต นิสัยเก่านี่มันสะสมมาเป็นเวลานานยังไม่ต้องพูดถึงความเห็นแก่ตัวอันนี้หรือว่าความเป็นคนมักโกรธเห็นแก่ได้เนี่ยมันมันสะสมนานมากาการที่จะทวนกระแสหรือว่าหาเอานิสัยใหม่คุณภาพใหม่มาทดแทนนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพราะเราสะสมนิสัยนี้มาเรียกว่า 10, 10ปีแล้วหรือว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นทาลุกแบบเบาเลยก็ได้นิสัยฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันนะสะสมมานานเพราะว่าเราถูกฝึกหรือว่าถูกสอนมาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วนะให ขยันคิดให้คิดเก่งเก่งในการคิดจกนกระทั่งความคิดนี่มันล้ำหน้าเราไปคือคุมไม่อยู่มันก็เลยฟุ้งซ่านได้ง่ายคิดเก่งจนกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านนี่มันไม่ได้ไกลกันเลยนะเลยเพราะทำไม่ได้ฝึกอีกอย่างหนึ่งเอาไว้คือการฝึกสติให้รู้ทันความคิดข้อนี้เพราะนั้นเนี่ยมัน เมื่อความคิดฟุ้งซ่านมันถูกสะสมมา น, นานจนกลายเป็นนิ ส, สัยที่แก้ได้ยากมันต้องใช้เวลานั้นเราจะเราจะรีบไม่ได้ต้องรู้จักคอยแต่ก็ไม่ใช่คอยเฉยๆนะทำไปด้วยเดือนนี้อย่าว่าแต่3ามวันห้าวันเลยนะที่ ทำแล้วไม่เห็นผลหรือผลยังไม่ชัดก็ท้อแล้วบางทีให้ทำแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือว่านั่ง ห, นะหานนะ้าน า, น, หนาทีก็ไม่ไหวแล้วมีหลายคนนะบ่นว่าโอ้ยนั่งสมาธินั่งไม่ไหวแค่ห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วทำไมถึงไม่ไหวก็เพราะมันฟุง้งซ่าน ฟุ้งซ่านนี่ไม่เท่าไหร่นะจริงๆคนเราก็พอทนกับความฟุ้งซ่านได้แต่ที่มันเป็นปัญหามากกว่าก็คืออยากให้สงบไวๆ้ๆแค่นั่ง5นาทีก็อยากจะให้มันสงบละภายใน5นาทีพอมันไม่สงบก็กระสับกระสายขึ้นมาเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวนี้แค่5นาทีก็ ทนนั่งกันไม่ไหวแล้วนะนเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าไม่รู้จักรอคอยแค่5นาทีมันจะนานที่ไหนกันแต่ว่าอยากจะเห็นผลไวๆเนียห้านาทีต้องสงบแล้วเพราะไม่สงบฉันไม่ทำแล้วแล้วอย่างนี้มันจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อย่างไร ที่จริงอย่าว่าแต่การปฏิบัติทำเลยนะในการทำงานทางโลกเราก็ต้องรู้จักคอยเหมือนกันความรู้จกกักคอยกับความขยันมันเพียรนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันไปด้วยกันถ้าคอยไม่เป็นอยากเห็นผลไม่ไวนี่มันก็ยากที่จะมีความขยันมันเพียรได้หรือถึงมีก็มีไม่นานในการทำความสำเร็จทางโลกนี้มันก็ต้องอาศัยความขยัน แล้วความขยายก็ต้องอาศัยความรู้จักคอยนะเป็นตัวหล่อเลี้ยงคนที่ประสบความสําเร็จในทางโลกมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเขารู้จักคอยกันทั้งนั้นรวมทั้งประเทศที่เขามีความเจริญก้าวหน้าอย่างประเทศอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่มีความ ขึ้นชื่อเลยในเรื่องความขยันหมั่นเพียรและสิ่งที่เขามีควบคู่กันก็คือการรู้จักคอยและเมื่อสองเดือนก่อนได้มีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นก็ได้ไปซื้อหนังสือในร้านหนึ่งนะซึ่งเป็นร้านที่มีสาขาทั่วประเทศเป็นร้านใหญ่มากนะในเมืองโอซากา้าก็มีสาขาที่กรุงเทพที่เมืองไทยด้วย ได้หนังสือมาสองเล่มนะก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอรนะ์เขาคิดรวมภาษีแล้วก็ประมาณ 3,981 เยด็นนะมีมีมีนเยนต่อท้ายด้วยเพราะมันคิดค่าภาษีด้วยคือถ้าจ่าย 5,000 ันเยนมันก็จบนะง่ายแต่ว่าเพลินวันนั้นนี่มีเหรียญมีเหรียญเยนเยอะก็เลยควักออกมา กำเต็มกำมือเลยนะแล้วก็นับนะเพื่อให้มันได้981ายเ็ยนแต่ว่าเนื่องจากพึ่งไปใหม่ๆแยกแยะเหรียญเยนไม่ถูกนะมันมีทั้งเหรียญน1เยน10เยน2ี่เยนร0 0ยเยน500้ยเยนก็แยกแยะไม่ถูกใช้เวลานับนาน ก็เลยให้เพื่อนช่วยนับด้วยเพื่อนคนไทยก็นับแต่ว่าก็นับยังไม่เร็วเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยเกงว่าเขาคนขายก็จะรอนานก็เลยให้คนขายช่วยนับใช้ซะเลยเพราะนักคานขายก็ดีนะระหว่างที่เรานับเหรียญเนี่ยเขาก็รออย่างสงบนะไม่ได้แสดงอาการหรือว่าเราทําให้เขาเสียเวลาตอนนั้นที่ลูกค้าที่ต่อคิวเราก็เยอะ ไม่นำซ้ำเรานับไม่ได้ก็ให้คขนับแทนเขาก็นับอย่างสบายๆนับไปแบบไม่รีบร้อนจนกระทั่งครบอันนี้ก็รู้สึกแปลกใจนะเพราะว่า้าแบบนี้ที่เมืองไทยมันคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพืยอว่ารู้จักคอยคอยลูกค้าโดยที่ไม่บ่นอะไรเลยทั้งที่ลูกค้าที่ต่อคิวก็ยาวนะ อันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ เ, เล็กๆในน้อยแต่เห็นได้ทั่วไปไม่ใช่ในร้านหนังสือบนท้องถนนก็เหมือนกันออกมาจากร้านนี่ก็มันเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่คนนี่เป็นพันเดินอยู่บนฟุตบาทเดินอยู่บนฟุตบาทมันก็มีช่วงนึงนะต้องเดินข้ามถนนถนนนี่มันก็เป็นจะเรียกว่าถนนก็ไม่ถูกนะมันเป็นซอยมากกว่า ขนาดเท่าเนี่ยเสาสองเสาเนี่ยไม่ถึงประมาณสามเมตรรถก็ไม่มีนะแต่เบอนมันมีสัญญาณไฟแดงคนเป็นร้อยเลยพอเจอสัญญาไฟแดงก็หยุดหยุดนิ่งเลยนะไม่เห็นใครนี่เดินข้ามไปเลยเพราะมันมีไฟแดงอยู่ทั้งที่รถก็ไม่มีหรือจะเป็นทุนนนใหญ่ๆนี่ก็เออพอเข้าใจได้นะ แต่ถนนนี้มันเป็นแค่ซอยคนก็หยุดคอยไม่มีใครแสดงการเร่งรีบจนต้องฝ่าไฟแดงเดินข้ามถนนไปต่อเมื่อสัญญามันเปลี่ยนเป็นเขียวถึงค่อยเดินข้าม น, นี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปนะเพราะมีความอดทนรอคอยสัญญาณไฟในะแบบนี้ก็ในเมืองไทยก็หรือในกรุงเทพ ย, ยิ่งแล้วใหญ่นะ ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ตอนเที่ยงนี่เวลากินข้าวก็เห็นได้ทั่วไปคนยืนคิวเข้าคิวเพื่อรอเข้าร้านอาหารร้านอาหารก็ไม่ใหญ่ก็เข้าคิวกันแล้วก็ไม่ได้มีอาการลุกรี้ลุกลนอะไรคนไทยนี่ถ้า ไม่เข้าคิวเพื่อกินอาหารนี่เขาไม่ทำกันเท่าไหร่เสียเวลาไปร้านอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ไปเข้าเซเว่ซื้ออาหารกินแต่คนญี่ปุ่นนี่เขาคอยรอแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆในๆน้อยอันนี้มันมันมันเป็นภาพที่ตัดกับนะเมืองไทยมากทีเดียวคนไทยนี่ถ้าไปเราไปซื้อของแล้ว เราจ่ายด้วยเงินเงินเหรียญเรามีเหรียญเยอะเหรียญบาทเยอะไงระหว่างที่จ่ายระหว่างที่ก่อนจ่ายแล้วก็นับเหรียญไปด้วยถ้าทําอย่างนี้ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านใหญ่ๆนี่พนักงานถายบางทีเขาก็มองหน้านะทำไม่พอใจเพราะทำให้เขาเสียเวลายิ่งให้คขานับโดยนี้เขายิ่งไม่พอใจเคยมีเพื่อนไปขึ้นเรือ ด, ด่วน ที่กรุงเทพันนะก็คิดประมาณสิบบาทมั้งหรือสิบสองบาทแทนที่จะให้เหรียญสิบก็ให้เหรียญบาทหมดเลยนะพนักงานเก็บเงินไม่พอใจนะเอาเงินเหรียญคว้างลงพื้นต่อหน้าเลยเพราะว่ามันทำให้เขาเสียเวลาเสียเวลานับหรือว่าเวลาขึ้นรถเมย์ ไม่รู้โคนลาดเป็นนะว่นะกรุงเทพนี่ถ้าเกิดว่าจอดรถเข้าป้ายแล้วผู้โดยสารเดินช้าชักช้านะขึ้นรถไม่เร่งรีบขึ้นรถนี่คนขับนะเร่งเครื่องออกเลยไม่รอแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ไม่นะมีเพื่อนเขาล่านี่ไปก็ไปเมืองนงเมืองฟุกุโอกะฟุกุโอ ก, กะก็เป็นเมืองใหญ่นะ อยู่ทางภาคใต้คนขับผู้ขับคนขับรถโดยสารก็รอก็เข้าป้ายเสร็จแล้วมองกระจกหลังเห็นคนแก่เดินก็ย่องก็แย่งมาจากไกลเลยนะจะมาขึ้นรถคนขับนี่หยุดเครื่องเลยนะปิดเครื่องเลยดับเครื่องทันทีเลยรอรอให้คนแก่นี่เดินมาถึงนะผู้โดยสารก็ไม่โวยวายนะผู้โดยสารก็รอเหมือนกัน เป็นหลายนาทีเลยอันนี้ก็แปลว่าพวกจะว่าไปคนญี่ปุ่นนี่เขาชีวิตเขาก็ค่อนข้างเร่งรีบเวลาเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ต้องทําเร็วๆรถไฟหรือที่สุดนโลกก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเวลาเขานี่เขาซอยยิบเป็นนะจากชั่วโมงเป็นนาทีถ้าซอยเป็นวินาทีได้เขาก็ซอยอย่างเวลาเราดูตารางรถไฟหรือตารางรถเมล์เนี่ย รถเข้ารถออกสถานีนี่เวลามันไม่ใช่ตัวเลขกลมๆนะไม่ใช่9 3้าโมงครึ่งบโมงนะแต่ว่าเป็น9 5้าโมงห้าสิบแนาทีจะเป็นสิโมงก็ไม่ไม่นะต้อง9 5้าโมงห้าสิบแดเพราะว่าเวลาแต่ละนาทีมันมีความหมายถ้าสอยเป็นวินาทีได้ก็ก็ทำก็มาถึงเป๊ะเลยนะรถไฟนี้เป๊ะเลยแล้วก็ออกตามเวลาเป๊ะ ตรงตามนาทีก็ดูเหมือนเขาเร่งรีบนะแต่ปรากว่าเขารู้จักคอยได้เป็นคนหรือเป็นชนชาติที่มีความอดทนรอคอยได้ได้นานทีเดียวดังที่ไม่ไม่น่าจะเร่งรีบได้สมัยก่อนบ้านเราในชนบทก็คอยคอยเป็นคอยนานนะเคยไปออกค่ายใน ที่ขนแก่นเมื่อสีปีก่อนก็ไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านตอนเช้าก็รอรถโดยสารมารับเพื่อเข้าเมืองบอกว่ารถมาถึงแล้วนะรถโดยสารมาถึงแลเรายังกินข้าวอยู่เลยผู้โดยสารก็เต็มเลยนะเต็มเต็มทั้งรถเลยแต่ว่าคนไทาก็คอยนะคอยจนกว่าเราจะกินเสร็จ แต่เดี๋ยวนี้ในชนบทรถโ ด, ดยสารก็คงไม่คอยแนละแต่ว่าในเมืองอย่างคูโกกาหรือเมืองใหญ่ๆ ใ, ในญี่ปุ่นนี่เขาคอยฉะนั้นที่เขาก็เวลาก็เป็ น, นเป็นทองอันนี้มันนึกดูในความรู้จับคอยนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยหรือเรื่องของมารยาทแต่ว่ามันเป็นส่วนของความสําเร็จของคนญี่ปุ่นโดยความเจริญก้าวหน้าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดจากความขยัน ที่เขาขยันได้เพราะเขารู้จักคอยทำงานใหญ่ๆมันต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลก็าไม่เร่งรีบเขายังทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผลยังไม่ออกมาเขาก็ยังยังทำต่อไปไม่ทอ้อถอยแต่ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ความรู้จักคอยนี่ลดลงไปเยอะความอดทนรอคอยนี่ต่ำมาก อยากรวยเร็วๆอยากจะประสบความสาเร็จเร็วๆอยากดังเร็วๆวันนั้นเนี่ยจะให้พอมันวิธีที่จะเร็วได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเพียรพยายามนะการใช้ความเพียรพยายามนี่มันมันเห็นผลช้าโดยเพราะเรื่องใหญ่ๆอยากได้อยากรวยเร็วๆอยากดังเร็วๆอยากประสบความสาเร็จเร็วๆก็ต้องหันไปใช้ทางลัด เนที่อยากรวยก็ต้องเล่นไพ่เล่นการพ น, น, นันะซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้มันรวยเร็วดีหรือหนักเข้าก็ขอรับชันถ้าอยากดังก็ต้องใช้เส้นสายหรือว่าบางทีก็ต้องเอากายเข้าแลกเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะได้ดังเร็วๆอันนี้มันเป็นทางลัดคนไทยเดี๋ยวนี้นิยมทางลัดมากแม้กระทั่งนักเรียนนี่ ทำการบ้านเดี๋ยนี้ก็อยากให้เสร็จเร็วๆก็ทํำยังไงก็ไปลอกเพื่อนไปก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตไปก๊อปมาจาก Google เนี่ยแปะเข้าไปเลยอย่างนี้ทำวิญญานิพนธ์ก็แบบนี้นะไปก๊อปกันประเภทที่ใช้ความเพียรของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีหรือมีน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะขี้เกียจเด็ดแต่เพราะว่าอยากจะเห็นผลไวๆ ไอ้ความที่ไม่รู้จักคอยนี่มันมันก่อผลเสียมากนะมันทําให้คนไทยชอบนิยมทางลัดแล้วก็กลายเป็นทางลัดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเอานิสัยนี้มาใช้อาการปฏิบัติธรรมนี่มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้หลายคนก็นึกหาทางลัดเอ้มันจะมีทางลัดอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เราสงบใบไวหรือว่ารู้ตัวใบไว มันไม่มีหนะทางลัทมันต้องมีางจากการปฏิบัติแล้วก็แต่สิ่งที่จะช่วยทําให้การปฏิบัติมันได้ผลก็คือการที่วางจิตให้ถูกต้องการวางจิตให้ถูกต้องก็รวมถึงการที่รู้จักคอยไม่เร่งรีบนะถ้าเร่งรีบอยากเห็นผลไวๆนี่มันกลับช้านะคนที่อยากจะเห็นผลไวๆอยากจะสงบไวๆนี่ผลก็จะมาถึงช้า ยิ่งอยากให้มาถึงไวๆนี่มันกลับถึงช้าเวลาเราเดินทางเราสังเกตไหมถ้ามันอยากถึงเป้าหมายเร็วๆนี่จะรู้สึกเลยว่าถึงช้าแต่ถ้าไม่ไม่เร่งไม่รีบไม่อยากให้เห็นหรือไม่อยากให้ถึงเป้าหมายไวๆนี่กลับถึงเร็วหลายคนจะรู้สึกเลยว่าเวลาขาับไปนี่มันช้าเช่นไปเที่ยวเนี่ยขาบไปมันช้ามาก จะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ภูเก็ตตาลุตาวนี่รู้สึกมันช้ากว่าจะถึงแต่ขากลับบ้านนี่มันเร็วอันนี้เพราะอะไรระยะทางก็เท่ากันทแต่ทำไมขาไปรู้สกวนไปถึงช้าเพราะเราอยากให้มันถึงไวๆอยากจะสนุกให้ขากลับบ้านนี่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้อยากให้มันถึงไม่ไวก็เลยรู้สึกมันถึงไว ทางโลกชันใดทางธรรมก็ฉันนั้นนะเราต้องอย่าไปอย่าไปปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำนาจของความเร่งรีบอยากเห็นผลไวๆต้องฝึกให้ตัวนี้เป็นโอกาสที่เราได้ฝึกการรู้จักคอยการรู้จักคอย3วัน5วันก็ยังน้อยไปนะมันจริงๆมันต้องใช้เวลานานกว่านั้นด้วยซ้ำ เรียนหนังสือนะเรียนภาษาต่างประเทศนี่เลยต้องใช้เวลาเลยมีคนหนึ่งเาเปรียบเทียบไปดีนะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันว่าเป็นผู้ที่รู้ภาษาเยอะมากนะภาษาต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีเผอ่่าบาลี ส, าสันสกิตก็รู้ด้วยเป็นอาจารย์ที่จุฬาตอนนี้กเกษียณไปนานแล้วมีคนถามว่า อาจารย์ทำไมมีความรู้เรื่องภาษาเยอะเป็นอัจฉริยะหรือเปล่ามีพรสวรรค์แล้วมัง้งแกบอกเปล่าเลยเป็นเพราะมีความเพียรแกบอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับการตักน้ำโดยกระชอนพวกเรารู้จักกระชอนใช่กระชอนผ้าเนี่ยนะตักน้ำให้เต็มแก้วโดวยกระชอนนี่ดูมันใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เวลานานมาก กว่าน้ำจะเต็มได้ต้องใช้เวลาแต่ก็ทำไม่เลิกเพราะว่าไม่รีบไงแต่ ว, ว่าการเรียนภาษาตามประเทศมันต้องคำคำหนึ่งก็ต้องพลิกพจนานุกรมครั้งแล้วครั้งเล่าพลิกเป็นร้อยครั้งกว่าจะจำได้ไการเจริญสติก็เหมือนกันนะไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนมันเผลอแล้วเผลออีกเผลอแล้วเผลออีกเผลอแล้วเผลออีกกว่าจะระลึกได้ ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช้เวลานานมากกินข้าว15นาทีไม่รู้เผอเป็นร้อยครั้งกว่าจะรู้สึกตัวว่าเออกำลังกินข้าวอยู่ยกมือสร้างจังหวะเป็นร้อยรยครั้งนะมันก็เผอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็ไม่ท้อไม่ท้อเพราะว่ารู้จักคอยได้ แต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆการคอยนี่ไม่ได้แปลว่าคอยอยู่เฉยๆทาด้วยและวิธีที่จะทําให้เรารู้จักคอยหรือทนอดทนกับการรอคอยก็คือการที่เราวางความอยากลงเสียความอยากที่จะเห็นผลไวๆถ้าเราวางความอยาก ที่จะเห็นผลไวๆลงได้เนี่ยเราจะสามารถคอยได้นานสามารถจะทําได้นานสามารถทําได้ต่อเนื่องได้นานแต่เราวางความอยากที่จะเห็นผลไวๆก็จะไม่รู้สึกว่าต้องอดทนเลยการคอยจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องทนต่อไปมันทําได้เองทําได้สบาย เวลาเราทำงานแ้าใจเราเป็นนึกถึงเป้าหมายเราจะรู้สึกอยากจะให้มันเสร็จไวๆจะนึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จได้ความคิดแบบนี้แหละความรู้สึกแบบนี้แหละที่ทำให้เป็นทุกข์กับการทางานแล้วก็คอยไม่ไหวถ้าเราลงวางความอยากลงเสีย แล้วก็ทำโดยใจอยู่กับปัจจุบันแน่นอนหลายคนมาด้วยความอยากไม่ใช่มาเพราะถูกบังคับมาเพราะอยากจะเห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติอยากเห็นความสงบอยากมีความรู้สึกตัวอยากมีสติมีปัญญาแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเริ่มเดินจงกรมกวางความอยากนั้นลงเสีย ถ้าเรายัางไปจดจ่ออยู่ความอยากก็แสดงว่าเรายัางอยู่กับอนาคตไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันอาการจลสติเนี่ยมันทำให้เรารู้จักคอยและมีความเปลี่ยนได้อย่างต่อนเนื่องในสิ่งนี้สําคัญมากนะทั้งอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสําคัญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกเราจะประสบความส็ขได้ก็ต้องรู้จักคอย เป็นนิสัยก็เคยมีการทดลอ ง, องที่สําคัญมากนะเมือ่อสัก40ปีที่แล้วทดลองกับเด็กอายุ4ขวบบ้างสมขวบบ้างทํากับเด็กหลายร้อยคนแต่ว่าทําทีละสิห้าคนบ้างยี่คนบ้างทดลองง่ายๆให้เด็กเข้ามาในห้องแล้วในห้องนี้ก็มีโต๊ะบนโต๊ะก็มีขนมวางอยู่ผู้ใหญ่ก็จะบอกเด็กว่า เด็กสามารถจะเก็บปินจะมาจะหยิบขนมกินได้คนละชิ้นแต่ถ้ารอ15นาทีจะได้กินสองชิ้นเด็กๆ ก, ก็อยากได้กินสองชิ้นทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากกินแค่ชิ้นเดียวแต่พอผู้ใหญ่ออกจากห้องไปเด็กส่วนใหญ่สองในสกินหยิบขนมมากินทันทีมีแค่หนึ่งในสที่รอ จนครบกำหนดแล้วได้กินสองชิ้นแล้วก็ก็ติดตามเด็กเหล่านี้ไปจนโตนะจนกระทั่งเข้าเรียนหนังสือจนกระทั่งเรียนมัธยมค็ยเห็นความแตกต่างของเด็กสองกลุ่มเด็กที่รู้จักคอยได้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนใช้ได้หรือเรียนดีแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ในเด็กที่ ยไม่เป็นนี่การเรียนก็ไม่ดีนักแล้วก็อ้วนน้ำหนักเยอะเพราะว่าเห็นอะไรก็อยากกินอดทนอดกลั้นไม่เป็นกินใหญ่กินพวกขนมนขยะนะจนกินจนอ้วนนะพอโตขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็สูบบุหรี่เยอะติดเหล้าก็มากในการที่กลุ่มที่มีความรูา้จาักราคอยนี่เขาการติดพวกใกบมุ ก, ก็น้อยกว่า ผลสอบเข้าหมายถลายก็สูงกว่าสูงเป็น200จุดเลยนะกว่ากลุ่มแรกนี่อัตราเฉลีย่ยเพราะตามเป็นข้างเวลาจบเรียนเรียนจบหมายถไลายไปทํางานาก็พบว่ากลุ่มที่มีความรู้จักคอยได้ตั้งแต่เล็กนี่ก็มีความสําเร็จในการงานได้ดีกว่ามากกว่ากลุ่มที่คอยไม่เป็นกลุ่มที่คอยไม่เป็นนี่จํานวนไม่น้อยก็เรียนไม่จบหมายถลายนะ เรือเ่องที่ไม่เรียนไม่จบมัธยมได้ซ้ําอันนี้เห็นนี่เห็นไหมว่าการที่มีนิสัยรู้จักคอยตั้งแต่เล็กนี่มันมีความสําคัญต่อชีวิตมากเดี๋ยวนี้เด็กลูกหลานของเราเนี่ยเราลองถามตัวเองว่าเขารู้จักคอยได้ไหมเดี๋ยวนี้คอยไม่เป็นแล้วอยากจะได้อะไรต้องได้อยากได้ต้องได้เดี๋ยวนั้นเลยอยากได้โทรศัพท์มือถือต้อง ต้องได้วันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้รู้จักคอยตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่ก็ตามใจพวกเราเองก็คงได้รับอิทธิพลนะจากการที่ชีวิตต้องเร่งรีบหรือว่าอยากได้อะไรก็ได้อย่างที่หวังเร็วๆถ้าเอานิสัยนี้มาใช้ในการปฏิบัติเนี่ยก็จะปฏิบัติด้วยความทุกข์ แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามาที่นี่ก็ชีวิตและตารางการปฏิบัติมันก็จะช่วยกล่อมกล้าให้เรารู้จักคอยได้ยิ่งถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำอย่างมีความสุขในการรู้จักคอ ย, อยนี่สำคัญมากเพราะถ้าอยากเห็นผลไวๆจะทำได้ความทุกข์ทุกข์ที่มันไม่สงบสักทีทุกขเพราะความฟุ้งซ่านมันเยอะหรือเกิน ลองนะลองวางความอยากลงแล้วก็อยู่กับความฟุ้งซ่านให้ได้อยู่กับมันไม่ใช่ทําตามมันนะไม่ใช่ปลนเปลิรมันหรือว่าคล้อยตามมันแต่ว่าอดทนกับความฟุ้งซ่านขณะเดียวกันก็ทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอมตะเทียนั่น สอนผู้ฝึกมาอยู่เสมอนะว่าให้ทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆการทำเล่นๆก็คือว่าไม่ได้ทําด้วยอาการหน้าดําข้างเคร่งท้ายนี้ทําด้วยอาการหน้าดําข้างเคร่งก็เพราะว่ามันอยากจะให้ได้ผลอยากจะได้รับความสําเร็จไวๆพอเผลอก็จะไม่พอใจพอฟุ้งซ่านเพล่ฟุ้งซ่านก็จะหุดหงิดอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า อยากให้สงบอยากให้ไม่มีความฟุ้งซ่านฉะนั้นถ้าเราทําด้วยท่าดีแบบนี้นะเราก็จะนอกจากจ ะ, จะมีความทุกข์แล้วเนะี่ยกามปฏิบัติมันก็จะเนิ่นช้าออไปเพรอย่างที่บอกไว้แล้วว่ายิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งอยากให้ถึงไวๆนี่กลับถึงช้าถ้าอยากให้เป็นยังไงก็วางนะวางความอยากให้ ถึงไวๆหรือว่าให้เห็นผลสําเร็จไปไวๆลงเสียแล้วก็ทําไปใจอยู่กับปัจจุบันไปกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกไปไม่ใช่กายเคลื่อนไหวใจก็ไปนึกแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะสงบสักทีหรือว่านึกแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวันสุดท้ายสักทีหลายคนก็ทําไปก็นับถอยหลังไปเมื่อไหร่มันจะ เส็จการตกปลมสักทีเมื่อไหรจะถึงวันสุดท้ายสักทีเมื่อไหรจะกลับบ้านสักทีที่แบบนี้ก็จะทรมานเพราะว่ามันจะรู้สึกเวลาผ่านไปช้ามากถ้าหากว่าสองสาวันเราคอยไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งห้านาทีคอยไม่ได้นี่ก็อย่างอื่นก็ความสําเร็จอย่างอื่นก็ยากที่จะหวังได้เอาละชานี้ก็พูดกันทํานี้